มนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมถามการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวจะอธิบายอย่างไรตามหลักของพุทธครับตอบผมจะพูดตามหลักฐานทางตัวอักษรที่มีอยู่ในคำภีนะครับเพื่อให้คำตอบอยู่ในกรอบของพุทธและเป็นอนนรู ก, กันว่า ไม่ใช่หลักฐานจากการค้นพบจริงหรือจากการนั่งทางในใดๆขอให้ฟังเป็นความรู้แบบพุทธเกี่ยวกับคำถามที่ยังไม่อาจพิสูจน์เป็นมั่นเป็นเหมาะอย่าฟังเอาไว้วิจาร์ว่าเหลวไหลหรือไม่เหลวไหลก่อนอื่นขอให้มองว่ามนุษย์ที่มีหูตามีหนึ่งตัวมีสองแขนสองขายอย่างเราๆท่านๆนี้หาได้มีอยู่เผ่าพันธุ์เดียวไม่ เดินออกไปก็เจอไทยจีนฝรั่งแขกคละกันทุกยอมยาอยู่แล้วฉะนั้นมนุษย์เองก็มีความต่างแดนได้แม้จะไม่ต้องต่างดาวกันตามหลักของพุทธนั้นการเกิดมามีผิวสีใดภาษาไหนอยู่เขตร้อนหรือหนาวก็ล้วนแล้วแต่เป็นการยัดเยียดจากกังเก่าทั้งสิ้น ไม่มีทฤษฎีแห่งความบังเอิญหรือทฤษฎีสุ่มสี่สุ่มห้าใดๆในศาสนาพุทธอย่างเด็ดขาดและแม้มาเกิดในโลกใบเดียวกันแต่หากเป็นคนละยุคก็แปลว่าทำกรรมที่จะต้องมาเสวยวิบากแตกต่างกันเช่นคนมีบุญมากๆจะไม่เกิดเป็นมนุษย์ธรรต้องกินอยู่แบบดิบๆเถื่อนๆเป็นต้น แม้จะกอ่อกรรมทำเข็นมาให้ยากจนอย่างน้อยก็ยังมีโอกาสดิ้นรนทำงานเพื่อลืมตาอ้าปากได้ในวันหนึ่งอีกประการหนึ่งถึงแม้จะเกิดในโลกต่างใบกันทว่าทำกรรมคล้ายคลึงกันก็ย่อมต้องเสวยผลแม่แตกต่างจากมนุษย์ที่เราเห็นเห็นอยู่พูดง่ายๆว่าไม่จำเป็นต้องค้นหาให้พบมนุษย์ต่างดาวก็ได้ ถ้าอยากเห็นความต่างกันก็คงไม่ต่างจากที่คุณเห็นคนต่างชาติต่างภาษาบนโลกใบนี้และถ้าอยากเห็นความเหมือนกันก็คงไม่ต่างจากที่คุณเห็นคนใกล้บ้านเรือนเคียงสักเท่าใดหากอยากทราบว่าจะรู้สึกอย่างไรเวลาเจอมนุษย์ต่างดาวขอแนะนำง่ายๆว่าให้เข้าไปในประเทศที่คุยกันด้วยภาษาซึ่งคุณฟังไม่รู้เรื่อง ห้ามเอาล่ามไปด้วยนะครับเอาสักสองสามวันก็พอแล้วจะได้บรรยากาศดาวคนละดวงอย่างถึงอกถึงใจเมื่อมีกรรมและผลของกรรมมีไม่ว่าจะเป็นตรงไหนของจักรวาลก็ต้องมีสถานที่รับผลกรรมอย่างแน่นอนครับถ้าไม่เหมาะจะรับกรรมในไทยก็อาจจะไปรับในมาเลเซียในญี่ปุ่น ในอเมริกาหรือถ้าดูดูแล้วไม่มีประเทศไหนเกาะใดบนโลกเหมาะก็จับเครื่องไปหาโลกอื่นที่เหมาะสมเข้าจนได้วิบากกรรมเป็นสิ่งมีอำนาจสูงที่สุดในจักรวาลเขาเหวี่ยงใครไปอยู่ไหนก็ได้ไม่จำกัดไม่เกี่ยงระยะทางว่าไกลจากจุดเกาะกรรมมากน้อยเพียงใด ตามที่มีมาในพระไตรปิฎกอันเป็นแหล่งบันทึกคำสอนและความรู้ต่างๆน า, นานาจากพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่บทหนึ่งพระศาสดาท่านตรัสกับพระผู้รับใช้ใกล้ชิดว่าดูก่อนอานนจักวานหนึ่งมีกำหนดเท่ากับโอกาสที่พระจันทร์พระอาทิตย์โคจรทั่วทิศสว่างสวยรุ่งโรจน์ในวงเล็บ หมายความว่านิยามของจักรวาลในที่นี้ก็คือสุริยะจักรวาลของเราหรือสุริยะจักรวาลอื่นๆที่มีพระอาทิตย์เป็นประธานและมีดาวเคราะห์ต่างๆเป็นบริวารโดยแสงอาทิตย์สาดไปได้ถึงครบทั่วพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโลกธาตุอย่างเล็กมีอยู่พันจักรวาลในโลกธาตุพันจักรวาล น, นั้น มีพระจันทร์พันดวงมีอาทิตย์พันดวงมีขุนเขาสิเนรุพันหนึ่งมีชมพูทวีพันหนึ่งมีอัปรคโยยานทวีพันหนึ่งมีอุตรากุรุทวีพันหนึ่งมีปุกพระวิเทหทวีพันหนึ่งมีมหาสมุทรสี่พันมีเท้ามหาราสี่พันมีเทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาพันหนึ่งมีเทวโลกชั้นดาวดึงพันหนึ่ง มีเทวโลกชั้นยามาพันหนึ่งมีเทวโลกชั้นดุสิตพันหนึ่งมีเทวโลกชั้นนิมมานอรดีพันหนึ่งมีเทวโลกชั้นปรนิมิตาสวติีพันหนึ่งมีพรหมโลกพันหนึ่งนอกจากนั้นพระพุทธองค์ยังตรัส ถ, ถึงโลกธาตุอย่างกลางซึ่งมีอยู่หนึ่งล้านจักรวาลและโลกธาตุอย่างใหญ่ ที่มีนับไม่ถ้วนต้องเรียกแสนโกรธซึ่งเป็นจำนวนหมายถึงเป็นจำนวนอนันต์นับกันไม่ไหวที่พระองค์แยกแยะเช่น e นี้ก็เพื่อให้เห็นขอบเขตของอนันตจักรวาลว่าใหญ่หลวงประมาณใดและมีพบซ้อนๆกันอยู่มากมายมหาศาลเกินจินตนาการปานไหน มาทำความเข้าใจกันนะครับว่าหนึ่งชมพูทวีปคือโลกมนุษย์แบบที่เราอาศัยอยู่หนึ่งใบหมายความว่าเพียงแค่มีกรรมที่ประมาณว่าสมควรจะอยู่ในโลกแบบเราก็มีสิทธิ์ไม่ใช่แค่พันไม่ใช่แค่ล้านแต่เป็นอนันต์ที่จะไปโผล่ที่ชมพูทวีปแห่งไหนก็ได้ในระหว่างแห่งอนันต์ตระกูล น, นี้ จะเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ได้แล้วยังมีอัประโคยานทวีปอุตรากุรุทวีปปุพพะวิเทหทวีปอีกด้วยหมายความว่าทำกรรมเหมาะกับโลกแบบไหนก็ไปตกอยู่ในโลกแบบนั้นจะยกตัวอย่างโลกมาแบบเดียวตามที่มีปรากฏในพระสูตรหนึ่งชื่ออาตานตาิยาสูตรท่านกล่าวว่า พวกมนุษย์ซึ่งเกิดในอุตรกุรุทวีปนั้นไม่ยึดถือสิ่งใดว่าเป็นของตนไม่ห่วงแหนกันมนุษย์เหล่านั้นไม่ต้องหวานพืชและไม่ต้องนำไถออกไถหมู่มนุษย์บริโภคข้าวสาลีอันเป็นผลิตผลในที่ที่ไม่ต้องไถไม่มีรำไม่มีแกลบบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมเป็นมเมล็ดข้าวสารปรุงข้าวนั้นได้ในเตาอันปราศจากควัน หมายความว่าถ้าใครมีจิตใจอารีอารอบเห็นเพื่อนร่วมโลกเป็นญาติมิตรไปหมดก็มีสิทธิ์ไปถือกำเนิดในอุตรากุรุทวีปอันไม่มีการแข่งแย่งไม่มีการแข่งขันค้าขายบริโภคข้าวอันเกิดแต่บุญเช่นการให้ทานอย่างไม่เลือกหน้าเรื่องรายละเอียดอื่นใดอาจฟังยากแต่ขอให้สังเกตด้วยว่า พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องจักรวาลไว้เกือบ3า0พันปีแล้วมนุษย์ยุคนั้นยังนึกว่าโลกแบนด้วยซ้ำและเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกยังพากันหลงเข้าใจว่ามหาจักรวาลนี้มีดาวฤกษ์อย่างพระอาทิตย์แค่หลักหมื่นหลักแสนคือเท่าที่ตาเปล่าและกล้องดูดาวเล็กๆจะขยายให้เห็นได้ แต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรียบร้อยว่ามีเป็นอ น, นันต์ซึ่งปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องพูดประมาณนั้นเนื่องจากหนึ่งกาแล็กซี่มีดาวฤกษ์แสนล้านดวงและทั้งจักรวาลก็ไม่น่าจะต่ำกว่าแสนล้านกาแล็กซี่หมายเหตุผู้อ่านขอเสริมอีกสักนิด ถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก่อนนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังมากคือท่านตรัสว่าโลกนี้มีสันถานกลมเหมือนผลมะขามป้อมซึ่งท่านรู้ว่าโลกกลมมาตั้งนานแล้วในขณะที่คนทั่วโลกและศาสนาอื่นยังคิดว่าโลกแบนอยู่นะครับนอกจากนั้นยังเป็นที่รู้กันว่ายิ่งวิทยาการก้าวหน้า พูดคุยความจริงทางธรรมชาติได้มากขึ้นเพียงใดธรรมชาติยิ่งปรากฏเป็นสิ่งพิลึกพิลั่นแปลกประหลาดผิดเพี้ยนไปจากสามัญสำนึกของพวกเรามากขึ้นเพียงนั้นอย่างเช่นที่นึกนึกกันว่าจักรวาลเป็นห้วงอวกาศว่างๆอันกว้างใหญ่ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เช่นนั้นเสียแล้วหนึ่งในความลึกลับน่าชงวนกว่าอะไรอื่น ก็คือสสารมืดการเริ่มรู้ว่าสสารมืดมีอยู่มาจากการสังเกตว่าการหมุนของกาแล็กซี่เป็นไปได้ช้ากว่าที่ควรคือคำนวณแล้วต้องมีแรงโน้มถ่วงจากสิ่งลึกลับบางอย่างเข้ามากระทาและหลังจากนักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณค่าพลังหนวงเหนี่ยวแล้วก็พบว่าสิ่งลึกลับเจ้าของพลังดังกล่าว จะต้องเป็นส่วนประกอบของจักรวาลถึง 90% เอร์ซน์ทีเดียวนั่นหมายความว่ามหาจักรวาลที่เราอาศัยอยู่นี้แม้ถูกเปิดเผยด้วยเครื่องไม้เครื่องมือบนโลกไปสักเท่าไหร่ก็ไม่มีทางเกินกว่า 10% เอร์ซนไปได้ตรงนี้ถ้ามาพิจารณาสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสถึง ไม่ว่าจะเป็นขุนเขาสินเนรุหรือมหาสมุทรอันขั้นอยู่ในระหว่างแห่งโลกธาตุก็อาจมีไนเชื่อมโยงถึงกันอยู่ก็ได้นี่ก็ต้องรอ ว, ว่าเทคโนโลยีจะข้ามพรมแดนรูปธรรมไปสู่สภาพอันไม่อาจจับต้องได้แค่ไหนคัามพีศา ส, สนาเราเป็นสิ่งสืบทอดต่อเนื่องกันมาช้านานคงไม่มีชาวพุทธคลั่งศาสนายุคใหม่ ที่ไหนแอบดอยไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสอดความรู้อันเกิดจากวิทยาการปัจจุบันเข้าไปได้เป็นแน่ฉะนั้นเมื่อพระองค์รู้จากสิ่งที่คนสมัยนั้นรู้ไม่ได้ด้วยกล้องดูดาวตรัสออกมาได้ถูกต้องว่ามีดาวกลมกลมมีอาทิตย์สว่างสว่างอยู่อีกมากมายก็น่าจะแปลว่าพระองค์คงเห็นจริงๆในสิ่งที่ตรัสอื่ น, นเช่นมนุษย์ในอุตรากุรุทวีปเช่นกัน สรุปคือพุทธพจน์ยืนยันการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวแล้วก็เป็นมนุษย์ในความหมายที่มีเลือดเนื้อมีจิตวิญญาณแบบพวกเราแม้อยู่ในโลกใบอื่นก็เคยประกอบกรรมมาให้เหมาะควรแก่การมีจิตสำนึกรู้ผิดชอบชั่วดีหรือมโนธรรมมีเมตตากรุณาหรือมนุษยธรรมตลอดจนมีเหตุผลสามารถเรียนรู้สามารถคิดอ่าน สามารถสร้างสารรค์อะไรๆ ไ, ได้เหมือนพวกเราการมีอยู่จริงของมนุษย์ต่างดาวไม่ได้เป็นประกันว่าเขาจะฉลาดหรือโง่ ก, กว่าเราสักแค่ไหนหากมีกรรมที่เหมาะจะไปเกิดในอาาจาักรการปกครองยุคมืดก็คงไม่มีทางสร้างจานบินหรือผลิตจานส่งสัญญาณข้ามอวกาศมาสื่อสารกับเราได้แน่ ถ้าอยากรู้ว่ามนุษย์ต่างดาวเทวดามารพรมมีจริงหรือไม่จริงคุณแค่ศึกษาหลักกรรมวิบากให้ดีๆแล้วฝึกจิตฝึกสติตามรู้ตามดูความเคลื่อนไหวกายใจตนเองให้ต่อเนื่องก็จะทราบว่าแหล่งผลิตกรรมอยู่ตรงนี้เองพบที่จะต้องเกิดขึ้นรองรับผลกรรมก็อยู่แค่เ อ, อื้มนี้เองไม่มีสิ่งใดในสากลจักรวาลนี้ แปลกประหลาดพิสดารเกินกรรมวิบากไปได้เลยหมายเหตุ head, ผู้อ่านขอเสริมเกี่ยวกับคำจากพระไตรปิฎกสักนิดหนึ่งนะครับหน่วยวัดต่างๆเช่นดาวหนึ่งพันดวงหรือการพูดถึงการชดใช้กรรมว่าต้องเกิดเป็นนั่นเป็นนี่้าร้ชาติ จริงๆแล้วเป็นสำนวนแขกนะครับที่จำกัดความคร่าวๆว่ามันมากไม่ได้หมายถึงว่าต้องพันดวงเป๊ะๆหรือว่าต้องเซวยห้าร้อยชาติเป๊ะๆนะครับเปรียบเทียบคล้ายกับสำนวนไทยที่เราเรียกกันว่าโจรห้าร้อยนั่นแหละครับก็คือโจรที่ร้นชิงไว้มากแต่ไม่ได้หมายถึงโจรห้าร้อยคดีหรือโจรห้าร้อยคนแต่ปัจจุบันก็ยังมีคนเข้าใจผิดกันเยอะนะครับ จึงขอแทรกไว้ตรงนี้เพื่อจะได้เข้าใจว่าบางครั้งคำหลายคำเป็นแค่สํานวนให้เปรียบเทียบได้ง่ายเท่านั้นเพราะหลายคนเท่าที่ผมรู้จักก็ติดปัญหาอยู่แค่สํานวนพวกนี้ซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญอะไรเลยเพียงท่านกะเข้าใกล้ให้เห็นว่ามันเป็นจำนวนที่มากประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งอย่างไรเท่านั้นเองนะครับ